ก็ความในคคเาวิสานสูตรคาถาที่27่ได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าปาทะโลละพรหมทัต น, นะเท้าเธอในทรงสเสวยยาคูหรือพระพระกยาหารแต่เช้าตรู่ชมนักฟ้อนสามประเภทในปราสาททั้งสาม คำว่านักฟอนสประเภทได้แก่นักฟอนที่มาจากพระราชาในอดีตกลุ่มหนึ่งชุดที่หนึ่งนะชุดที่2ก็คือพวกนักฟอนที่มาจากพระราชาองค์ถัดมากับชุดนักฟอนที่ตั้งขึ้นในรัชการของพระองค์สแสดงว่ามีนักฟ้องรุ่นปู่รุ่นพระเจ้าปู่รุ่นพระเจ้าพ่อแล้วก็นักฟอนรุ่นตัวเองก็ฟังนักฟอดูนักฟอน3ามกลุ่มนะก็ ดูแลของอะไรสังเวชทีลึกเลยนะวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปสู่ปราสาทของนักฟ้อนรุ่นสาวแต่เช้าตรูสตรีนักฟ้อนทั้งหลายก็คิดว่าเราจะให้พระราชานี้รื่นเริงจึงประกอบการฟ้อนรำขับร้องการประโคมอันน่าจับใจอย่างยิ่งดุดพวกนางอับสอนของเท้าสักกะจอมเทพฉะนั้นได้ว่าไร้าราสุดวิชาความรู้ความสามารถเลยแหะ พระราชาก็ไม่ทรงพอพระราชาหรือไทยว่าการฟ้อนราของนักฟ้อนรุ่นสาวทั้งหลายนั้นไม่อัศจรรย์ก็ดูดูไปว่เห็นสนุกตรงไหนเลยก็เสด็จไปสู่ปราศาสตของนักฟ้อนรุ่นกลางรุ่นกลางก็น่าจะรุ่นพระเจ้าพ่อนะสตรีนักฟ้อนแม่เหล่านั้นก็กระทาอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ก็ไม่ทไม่พอพระราชชาหรือไทย ในสตรีนักฟ้อนรุ่นกลางแม่นั้นเหมือนกันก็เสด็จเข้าไปสู่ปร า, าสาทของนักฟ้อนรุ่นใหญ่สตรีนักฟ้อนแม่เหล่านั้นก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาเห็นการฟ้อนรําเป็นเช่นกับการเล่นของกระดูกนะนะเพราเอาเหมือนกนาเอาคุณย่ามารําให้ดูอ่ะจะเป็นยังไงนะาะกระดูกไร่ายรำวันั้นเพราะสตรีเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนแก่ล่วงมาสองสามรัชกาลแล้วว่าคุณย่าคุณยายนะนะั่นแหะ องในทรงฟังเสียงขับร้องก็ไม่ไพเราะเนี่ยนะโอ้ไม่ไหวเลยนะดูคุณยายรำนี่ไม่สนุกเลยก็เลยกลับไปหานักฟอนรุ่นสาวปราสาสตของนักฟอนรุ่นกลางก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นนะก็ไม่พอพระหฤทยัยในที่แห่งไหนเลยเนี่ยนะก็วันหนึ่งดูสามวงเนี่ยนะแต่ละวงก็ไม่ถูกใจซากวงเลยพระราชาก็เลยคิดว่าสตรีเหล่านั้น ประสงค์จะให้เราเนี่ยรื่นเริงดุดเหล่านางอักษรของเทา้าส ก, กจอมตัวเทพฉะนั้นจึงประกอบการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมเต็มความสามารถทุกอย่างรู้นะว่าเขาเขาเอาใจขนาดไหนเาเาแต่ละคนเนี่ยเขาแสดงอย่างไรเห็นหมดแหละแต่เรานั้นไม่พอใจในที่แห่งไหนเลยทำโลภะให้เจริญขึ้นเท่านั้นเออเนี่ก็ไมพอใจจะเอามันบบให้มันดีกว่านี้อ่ ให้มันเป็นที่พอใจยิ่งกว่านี้ก็เลยคิดว่าโลภานี้เป็นธรรมะที่นําไปสู่อาบายโลภะที่ชอบอย่างนี้เนี่ยเป็นอธรรมนะนําไปสู่อาบายได้นะถ้าเรามัวแต่หลงไหลเพลิดเพลิน อ, อยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะก็อย่างว่าแสดงว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่เมาถ้าทำเมาอาจจะชอบบ้างนะแต่นี้แสดงว่าไม่ค่อยเมาเนี่ยนะไม่ค่อยถ้าไม่เมาจริงๆเนี่ยมันจะดูสักเท่าไหร่ดูไปดูมามก็น่าเบื่อจะตาย นะแต่ถ้าเมาก็ยังชั่วเนะี่ยมันก็ยังกระลำกระเลม็ลมหลอกๆอกตื่นตืนหลับหลัหลับหตื่นๆื่นก็หมดวันวันไปแต่ถ้าไม่เมาแล้วจะไปมีความสุขได้ยังไงดูว่าดูรำไปดูรำมาก็โอ้จะเป็นสนุกยังไงก็เลยยิ่งเห็นโทษของโลภะมากยิ่งขึ้นเพ ว, ว่าเราจะข่มโลภะสลาราชสมบัติพนวดแล้วเจริญวิปัสสนาอยู่ก็ทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานเรียกว่าไปดูมหรสศพจนเบื่อออกบวชเลยปนระมาคือคนที่สั่งสมอุปนิสัยมาเนี่ยนะ จะอยู่ในฐานะใดดูอะไรก็สังเวชใจได้หมดแหละขอให้ได้สังสมไว้เถอะสาหรับผู้ที่มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยเห็นโทษภัยของวาตะแม้กระทั่งอาหารก็เป็นเหตุให้บรรลุนะกำไรข้อมือก็เป็นเหตุให้บรรลุนะเห็นหน่อไม้ก็บรรลุได้เห็นต้นไม้ใบไม้ร่วงก็บรรลุได้เห็นดอกบัวเหี่ยวดอกมัวเฉาก็บรรลุได้แม้กระทั่งเห็นคนฟ้อนคนรําก็น้อมไปเพื่อการตรัสรู้ หลังจากที่บรรลุแล้วก็กล่าวว่าบัณฑิตทราบว่าความเกี่ยวข้องในเวลาบริโภกเบญจากา ร, รมคุณนี้มีความสุขเล็กน้อยนะสุขน้อยก็คือสุขเล็กน้อยมีความยินดีหน้าพอใจน้อยมีแต่ทุกเนี่ยมากเหมือนกับหัวฝีอย่างนี้แล้วพอมีความรู้ก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรชนั้น อธิบายว่าพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยแสดงการอุปโภคของตนด้วยความเกี่ยวข้องเรียกว่าสังฆะตัวนั้นอสังขะตัวนั้นเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายข้องอยู่ในเบญจากามคุณดุดช้างตกอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นเรียกว่าช้างตกไปในบ่อโคลนเนี่ยนะมาฉันใดผู้ที่ติดใจในกามมคุณติดข้องอยู่ในกามมคุณก็ฉันนั้นบทว่าปริตตะเมธะโสขยังเนี่ยนะความว่า ในการละแห่งบริโภคเป็นจักรมาคุณนี้ชื่อว่ามีสุขน้อยเพราะว่าเป็นบาปนะลามกก็คือบาปด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะว่ายากที่บุคคลจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกุศลจิตโดยมากก็เกี่ยวข้องด้วยอกุศลจิตอกุศลจิตก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษอยู่แล้วแล้วก็อกุศลเหล่านี้นี่แหละจะทําให้เกิดความสําคัญผิด หรือโดยเนื่องด้วยกามาวจระธรรมเพราะเพราะว่ามันเป็นการมาวจรมันเป็นปริตตะสุขเหล่านี้ก็เป็นปริตตะเป็นกามาวจรยังไงมันก็ไม่ถึงรูปาวจรไม่ถึงอารูปาวจรแล้วก็ไม่ได้เลยไปถึงโล ก, กุตรธรรมอะไรทั้นการความสุขเหล่านี้ก็เป็นของที่นิดหน่อยชั่วคราวเหมือนความสุขในการชมดูการฟ้อนรําในที่แสงฟ้าแลบที่แลบให้ชมจะหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปฉะนนั้นแต่อย่าลืมว่าท่านมองในฐานะอะไรมอง มองในฐานะพรหมมองเนี่ยนะความสุขในกามทั้งหลายนี่มันนิดเดียวจริงๆนะอย่างถ้าเราคิดนะอย่างความสุขที่เราเพลิดเพลินเนี่ยถ้ามองเส้นทางตลอดชีวิตเนี่ยนะหลายสิบปีจะเห็นว่าไอ้ความสุขที่เพลิดเพลินเนี่ยเวลานิดเดียวถ้ามองในสุขของเทวดาที่มีอายุเป็นล้านปีเนี่ยนะความสุขของมนุษย์ทั้งหลายก็นิดเดียวถ้าดูความสุขของหมู่เทวดาของมนุษย์ทั้งหลายถ้าในสายตาของพรหมจันท์สูงสูงขึ้นไปมันก็เป็นของ นิดเดียวเองถ้ามองในอรูปประพรมด้วยแล้วแหมท่านบอกว่าท่านกระพริบตายยังไม่เสร็จเลยพวกนั้นตายเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วแบงนั้นคือมันมันเร็ูขนาดนั้นมันจึงนิดหน่อยเหมือนการดูการฟ้อนรำในที่ ท, ที่ฟ้าแลบแต่ว่าโทษของกามเนี่ยนะมันมากท่านบอกว่ามีความยินดีน้อยเหมือนกับหยดน้ำแต่ความทุกข์นี่สิเหมือนน้าทะเลว่างั้นทุกเท่าทะเลสุขเท่ากับหยดน้าหน่อยเดียว ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนั้งหลายกุลบดในโลกนี้สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการประกอบศิลปะคือการคิดการนับการคำนวณการประกอบอาชีพอยู่ในในโลกเนี่ยนะไม่กระทั่งว่าประกอบ ประกอบอาชีพเนี่ยนะถามว่าทุกในการแสวงหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันทุกขนาดไหนในแต่ละชาตินะนะกับทุกขของแต่ละคนแต่ละคนที่ทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกน้อยๆเลยเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยเหมือนกับหยดน้ําแต่ความทุกขนั้นเช่นกับทะเลเนี่ยนะเพราะอย่างผู้ที่ตายที่ทะเลเนี่ยไม่ใช่ตายน้อยๆเลยนะตายเพราะตกเครื่องบินตายหรือตายเพราะเรือจมเนี่ยนะสำเพอใหญ่ๆจมจมทีละห้ารอจมทีละแปดพันก็มีจมทีอย่างเช่นเรือสงครามใหญ่ๆเนี่ยนะถูกจมทีงแ0 0ันเนยนะ ตายกับเกลี้ยงเนี่ยแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินนะนะเรือพวกเรือเรือเครื่องบินนะนะเรือเรือสำเภาพ่อค้าทั้งหลายหรือว่าพวกหาประมงปูปลาเป็นต้นเนี่ยที่ไปตายในทะเลนี่ไม่ใช่น้อยมันทุกจริงๆนะแล้วก็บนบกนี่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์สัตทั้งหลายเนี่ยตายเล็กตายน้อยเลยโดยที่แท้ตายมากเหลือเกินัแต่สิ่งเหล่านั้นที่เขาหาเจียนตายหรือว่าหาจนตายเนี่ยนะก็หาเพื่อแสวงหาความสุขใน วัตถุ ก, การมทั้งหลายสแสวงหารูปที่น่าปรารถนาหาเสียงที่น่าพอใจหากลิ่นที่น่าพอใจหารสอร่อยที่ถูกเล้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็เล็กน้อยแต่มีความทุกข์มากซึ่งการ ม, มาคุณทั้งหลายที่น่าเพลิดเพ ล, พลินนี้มันมีความสุขน้อยเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนเบ็ด น, นะนะเบ็ดนี้ปลาที่กินเบ็ด น, นะนะเห็นไก่เยือ่อะเรอร่อยกลื่นลงไปเสร็จแล้วก็ถูกพานเบ็ดฉุดไปฉันใดผู้ที่ พอใจในวัตถุการมทั้งหลายหลงเพลิดเพลินในวัตถุการมทั้งหลายฉุดไปหาชราและมรณะไม่ใช่ชาติเดียวไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วกระดูกทับถมแปลว่าเพิ่มปัตตพีที่เป็นป่าช้านีนนะก็แปลว่าไปเพิ่มปุ๋ยให้ป่าชา้าไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพระสารีบุตรอธิบายว่ากามนี้เป็นเครื่องข้องเครื่องข้องเนี่ยบางทีอาจจะแปลว่าเบ็ดก็ได้กรรมนี้เป็นเช่นกับเบ็ด กามนี้เป็นเหยื่อเป็นเครื่องคล้องเป็นของผัวพันธุ์เพราะนั้นคำว่าเบ็ดเหยื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ผูกพันทั้งหลายก็คือรูปเสียงเปลี่นรสโภชภะทั้งหลายนั่นเองตามเหล่านี้มีความสุขน้อยไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สุขมันมีความสุขอยู่แต่ว่าความสุขไม่มากอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกาล ม, มาคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหน รูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นกายที่พึงรับโภตภาภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่ <im itation> น่าพอใจยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดดูก่อนพิสูจทั้งหลายการมมาคุณหประการนี้แลดูก่อนพิสูจทั้งหลาย สุโสมนัดอันใดาอาศัยเบญจากามคุณห้าประการเหล่านี้สุขโสมมนัดเหล่านี้เราเรียกว่ากามสุขเป็นความสุขที่ได้จากโลกนี้เนี่ยนะเช่น <c oughs> เดินทางไกลๆแล้วไปเจออาหารอ ร, ออร่อยๆที่ตัวเองพอใจก็บอกโอ้เอร็ดอร่อยเลิศเกินเนี่ยนะแต่ความทุกข์ก่อนหน้านั้นและทุกข์หลังจากนั้นที่เป็นไปเนี่ยจะขนาดไหน <c oughs> พระองค์เลยตรัสว่ากามทั้งหลายนี่มีสุขน้อยเป็นสุขที่เลวเนี่ยนะเป็นสุขที่เป็นบาปเรียกว่าเป็นความสุขที่พัวพันกับบาปเป็นความสุขที่ทําให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นกามนี้จึงมีเป็นสิ่งที่เป็นเบ็ดน่ะนะแล้วก็มีความสุขเล็กน้อย คำว่าการนี้มีความยินดีน้อยเนี่ยนะ <c oughs> ยินดีนี่มาจากคำว่าอาศาัศธามีอาาัาธาคือหน้าเพลิดเพลินไม่มากนะักแต่ว่ามีทุกมากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกมากมีความขับแค้นมากมันอึดอัดมากนะมีโทษมากในการทั้งหลาย <c oughs> ตามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหมือนกับโครงกระดูกกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อคําว่าโครงกระดูกเนี่ยพระองค์อยากจะบอกว่ามันไม่มีใครแท้อิ่มจริงนะถ้ามันมีเนื้อเขายังชั่วว่าแท้อิ่มจริงแต่ถามว่าถ้าแท่โครงกระดูกจริงๆแล้วมันจะอิ่มมาจากตรงไหนมันอาจจะว่ามันมีรสชาติอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็หวานน้าลายตัวเองกันแล้วมันก็ไม่ได้อิ่มอะไรแท้จริงหรอก การทั้งหลายพระ อ, องค์ตรัสว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อเพราะมันแย่งกันนะหน้าปรารนะถนาเท่าใดก็กยแย่งกันมากเท่านั้นถ้าหน้าปรารถนามากก็เยอะแย่งกันมากถ้าหน้าปรารถนาน้อยก็ไม่มีใครสนใจเนี่ยนะเรียกว่าการเหมือนกับชิ้นเนื้อมีเรื่องเล่าว่ามีนกตัวหนึ่งไปขโมยก้อนเนื้อมาในมาก้อนหนึ่งนกที่เหลือก็มองเห็นมาเอามั่งเอามั่งก็เลยไปขอแบ่งมั่งสิบอกไม่ยอมึกอีสานไปคาบมา เอาไม่ยอมเลยนกก็บินตีกันเลยนะตีกันกลางอากาศเสร็จแล้วก็ไอ้ตัวก็ปล่อยคายอลาอีกตัวนึงก็รีบพุกออกไปสรุปว่าตัวไหนข้าวไว้นะตัวนั้นสบับบกสบมหมดเรียกว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อ <c oughs> <c oughs> หรือเอกในหนึ่ง น, นะคำว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อเนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าเหมือนกับ ที่สับเนื้อสมมติถ้าถ้าสับเนื้อเนี่ยมันจะเลยไปถึงเขียงไหมการทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน <c oughs> การทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับคบเพลิงคบเพลิงหญ้านะใครเคยถือคบเพลิงหญ้าเดินทวนนาะทวนอะนะทวนลมอ่ะนะลักษณะนั้นนะ่ะการทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงก็คือคืออะไร เร่าร้อนทั้งชาตินี้และเร่าร้อนทั้งชาติหน้าการทั้งหลายเหมือนกับความฝันเหมือนกับฝันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็เหมือนฝันแหละการทั้งหลายเหมือนกับของขอยืมเข้ามาก็เท่ากับยืมมาชั่วคราวทั้งนั้นแหละสิ่งที่เราเห็นเห็นก็คือสิ่งที่เรายืมเหมือนว่ายืมมาดูยืมมาฟัง ยืมมารู้ยืมมาแต่ละทวารแต่ละทวารเหมือนรถอาหารเมื่อกี้ก็เหมือนยืมมาแป๊บเดียวนะผ่านทวารลิ้นไปก็หมดแล้วกามทั้งหลายเหมือนผลไม้เนี่ยนะเหมือนผลไม้ก็หมายถึงว่าสมมติถ้าใครที่ขึ้นต้นไม้เนี่ยนะขึ้นไปเก็บกินผลไม้ไอ้คนหลังมาก็มาฟันโคนไอ้คนที่อยู่บนต้นเป็นยังไงฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายถ้าไม่รีบลงไม่เรียบออกเนี่ยนะ ตายคาต้นไม้แน่เหมนกันการทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับดาบเพราะอาจจว่าเชื่อดเฉือนเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเห่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากผลพระสรุปว่าการทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากกว่า ตามทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเบ็ดเป็นเหยื่อเป็นความคล่องเป็นชื่อของเบญจกามาคุณที่เรียกว่าเหมือนกับฝีเนี่ยนะผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นเช่นกับฝีคือผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาจแจม่มแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสรู้เทียบเคียงพิจารณาทําให้แจม่มแจ้งปรากฏว่ากามนี้เหมือนฝีเหมือนเบ็ดเป็นเหยื่อเป็นความคล่องเป็นความกังวล รู้อย่างนี้แล้วก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับนอแรดเนี่ยนะระดูละครจนได้ดีเลยนะส่วนพระประเจกองค์ต่อไปเนี่ยนะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะดูท่าละ